บทที่24ดึกสงัดในภายเพลิงของราศีอันเย็นชื่อนี้อาการของประพินไม่สูจริตนักรู้สึกตะขั้นตะคลองและหนาวและหนาวสคลานขึ้นมาเป็นระลอกเมื่อผ่าจากเครื่อง น, นกลับไปยังที่พักของเขาซึ่งมีบุญคํายึดนอนอยู่ใกล้ๆจอมพานกินยาสกัดกัดอาการจับสันให้เรื้อรางของเขาเข้าไปเต็มขนานแล้วใช้กระสอบทรายปั่นคลุมหน้าอกไว้จากนั้นก็นอน 16. สงบสติอารมณ์พวนคิดไปถึงคืนวันเก่า ที่เคยปลุก ป, ปา่าร่วมอยู่กับแม่ดอกฟ้าดารินทรอันเป็นยอดปุชาซึ่งมีทั้งความทุกข์ยากแสนสาหาัสและความสุขสดชื่นอ่อนหวานาาาาคลาดคล้ำกันไปชนิดที่ลืมเสียไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตนี้ไปหน้าของราชิกุลสาวตลอดจนทุกอิรยาบททุกคําพูดเป็นภาพซ้อนขึ้นมาในห่วงลําพึงลายเห็นเด่นชั ด, ดาการพบปะสนทนากับคริสต์มื่อหัวค่ําโดยภาดพิงไปถึงสุภาพสตรีทีท่หัวใจของเ ข, ข้าห่วงพระวงและลึกถึงอยู่ทุกขณะจิตที่ทําให้ความปวดร้าวระบมหนักขึ้น ท่านยิ่งมีอาการหนาวสั่นเหมือนไข้จะ ก, ก่อตัวกำเริบขึ้นเขาก็ยิ่งทรามาร์ด้วยความคิดถึงเหลือที่จะกล่าวได้พยายามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเรือรังประจําตัวเช่นที่มันทําท่าจะกําเริบเหมือนเช่นในขณะนี้เคยเป็นยาที่เขาได้รับความทราบซึ้งประคับใจอย่างที่สุดจากเธอผู้นั้นแล้วก็บัด น, นี้เล่าเธออยู่ณนะที่ใดกํลังทําอะไรอยู่จะเฉลียวคิดรู้สึกสัมฤทธหมาว่าไม่ว่าอพินิวันจากไกลามาเสียแล้วอย่างทํานาอนาคตไม่ถูกและอาจจะไม่มีหวังได้พบ หน้ากันอีกเลยในชาตินี้ถ้าหากเธอผู้นั้นรู้หัวใจของเธอจะแตกดับออกสักีเสียงสําหรับเขานั้นไม่ต้องพูดถึงความหวังทั้งหลายสิ้นทลายพังไปหมดแล้วคงมีชีวิตอดทนอยู่ต่อไปเพื่อภารกิจจําเป็นในหน้าที่อันเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นก่อนก้มตัวลงนอนคืนนี้เขาสั่งบุญคำไว้แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอาการเช่นไรขึ้นกับตัวเขาห้าแม่บุญคาหรือลูกน้องคนใดคนหนึ่งโป ร, รบกวรปลุกบอกหมอเบลหรือนายจ้างทุกคน ฉันสัตยาเข้าไปหนักแล้วคงจะไม่เป็นอะไรหรอกถ้ามันสั่นพับพขึ้นมาตอนไหนก็ดูเฉยเฉยก็แล้วกันอย่างมากก็ไม่เกินชัว่วโมงคงจะหายไปเองเขาสั่งไว้เช่นนั้นจําได้ว่าบุญคาจ้องมองดูเขาด้วยสายตาเป็นห่วงเอื้อมมือมาจากความมืออันเย็นเฉียบแล้วถอนใจเพือก บ, บนเบาเบาี่ท่านนายหญิงอยู่ด้วยแล้วก็บุญคาไม่ห่วงเลยพับพเอ้ยบุญคาสงสารนายจริงๆอยากจะรอไอ้ฝรั่งทั้งหมดนี่ไปตกเหวไตหาสิให้หมดเราจะได้กลับบ้านของเราสักทีหนึ่งที่ท่านนายหญิงรู้เขา้า หองอกแตกตาทีเดียวพานให่นอนซึมหรือตาลอยลงดูแลฟืนไฟไว้ให้ดีนะกําชับเกิดเสยจันทไว้ด้วยว่าอย่าประมาทในคืนนี้เพราะฝากความปลอดภัยทั้งหมดไว้ในกํามือของบุญคําด้วยมายนอนให้สบายเถอะไม่ต้องห่วงแบบเป็นหน้าที่ของบุญคำและพวกนั้นเองแกบอกแล้วอาภาพวร เ, เก่าๆดําเป็นสีที่เป็ดของแกมาคลุมไวใ้ให้อีกชั้นหนึ่งส่วนที่ทาของเขาจะหลับหรื อ, อยังตื่นอยู่เขาเองก็ไม่อาจจะทราบได้แต่เป็นหน้าอันหวานคมและแววตาอ่อนซึ้งของดารินวราฤทธิ์ มาลอยวนอยู่ตรงหน้าตลอดเวลาคล้ายๆๆว่าจะเห็นใบ ห, หน้านั้นกํนาลังมีหยาดน้ำตาไหลลินมองจากมายังที่เขาอย่างห่วงหาอาทวที่สุดแต่พินพยายามจะเอ่ยเรียกนามแต่ไม่มีเสียงใดผ่านลาคอออกมาได้อยากจะเอื้อมมือออกไปไขวข้ารวบร่ามนั้นเข้ามากอบประชับไปกับกบแต่หมดเรียหมดแรงที่จะกระดิกกระเดียบสภาพเหมือนถูกผีอหรือพิปาของภาพนั้นเผยด่าจะเอย่ยคําพูดใดแก่เขาแต่ก็ไม่ยินเสียง คันแล้วใบหน้าของหม่อมราชวงศ์หินดาเรียนว่าร่างลก็ค่อยๆเรื่อนหางออกไปเช่นน้อยคล้ามู่ออกไปทุกขณะในความรู้สึกหรือในความฝันก็ตามเขาตะโกนสุดเสียงคุณหญิงอย่าเพิ่งไปอยู่กับผมก่อนใจความได้ตะโกนเสียงหลงออกไปเช่นนั้นได้ตะเกียงตะเกียรตกรายพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายประดุดถูกทับไปด้วยภูเขาจากใบหน้าที่เรื่อนลอยจางหายไปนั้นได้มีใบหน้าอีกใบหน้าหนึ่งแทรกซ้อนขึ้นมาแทนที่คันแรกเป็นภาพคล้าก่อนเหมือนภาพที่สะเก็ับยากต่อมาค่อยๆชัดขึ้นเป็นลำดับ และในที่สุดก็จ่มใสจนสังเกตเห็นได้ถึงเงาของสันจมูกในตาคมลึกและหนึ่งพิบาที่แย้มสว่างจนเห็นฟันขาวทั้งสองแถวตัดกับผิวสีหน้าปลดสีทองแดงและพิณจ้องตะลึงดวงหน้าที่ปรากฏขึ้นแทนที่ก็ยังมองประสานเขาอยู่เช่นนั้นความกับอาการยิ้มหิงฟันเขาเห็นชัดเป็นภาพละเอียดถึงขนาดประกายของแววตาภาพปกศสืษอเป็นแถบสีแดงและชุดเสื้อพานกระเรี่ยง มือหนึ่งถือไรเฟิลวินเชสเตอร์โบราณแบบคันเบี่ยงขนาดจุดสี่สี่ถึงสี่ศูนย์แล้วเสียงกลางวันลึกก็แววมาสูนย์เจ็ดผู้กองเฮ้ยแงซายแกหรือนั่นน่ะคืนนี้ผู้กองออดแอร์ทั้งจิตใจและร่างกายโรคเก่าก็กําลังเล่นงานอย่านอนทุกข์ทรมานอ ย, อย่างนั้นเลยให้ใครไปปลุกแหม่มที่เป็นหมอนั่นขึ้นมาช่วยเสียเถอะนายหญิงนายอยู่ห่างไกลเกินไปนักแต่หมอหม่อมแหม่มคนนั้นนายอยู่ใกล้ๆพอจะช่วยเหลือผู้กองได้ แง่ทรายอย่าจะโกนเลยผู้กองไม่มีเสียงหรอกนี่แกไปยังไงไมายังไงกันนี่แกจริงๆหรือแง่ทรายทําไมฉันถึงมองเห็นแกมานั่งพูดอยู่กับฉันตรงหน้านี่เองมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันเพ้อไปใหญ่แล้วหรือใบน้านนั้นยิ้มกว้างออกไปอีกใช่ผู้กองกําลังเพ้อเพ้อด้วยพิษไข้สูงเชื่อผมเถอะตามหมอฉันไม่ต้องการหมอคนไหนในโลกนี้ทั้งสิ้นนอกจากคุณหมอยอดรักของฉันคนเดียวเท่านั้นก็ผมบอกแล้วว่าเธออยู่ห่างใครเกินไปนักและป่านนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าผู้กองมานอนเซล สมไว้พิษไข่ตาอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่เปิดโอกาสให้เธอรู้เลยแม้แต่นิดเดียวว่าผู้กองจับึ้นมาแล้วหาทางช่วยตัวเองก่อนเถอะชันอยากจะให้มันจับไข่ตายไปเสียในคืนนี้รูดเล้ารูดรอดไปจะได้หมดเวรหมดกรรมเสียทีใบหน้าน่าสันช้าช้าผู้กองน่ะยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมหรอกเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ตายจะต้องทนทุกข์ทรมานไปอย่างนี้แหละกรรมเก่าของผู้กองยังไม่สิ้นช่วยประคองฉันลุกขึ้นคีสิจะลุกขึ้นมาทำไมเตะแกนะสิ ใบหน้าสีทองแดงดาวกับภาพปั้นด้วยสำเร็จของเทพประดุดวงนั้นโหรับแถวเบาเอย่างขันขันขึ้นยั่วนี่คือนิสัยเก่าของผู้กองเอะอะก็จะเตะงาทรายเสื่เรื่อยฉันดานแกมันก็ชอบยั่วยวนโทสะของฉันตลอดกาลเหมือนกันดูเอาเถอะแม้แกจะโผล่หน้าเข้ามาโดจิตสำเร็จของฉันเองแกมันก็เป็นเพียงไอ้ตัวภาพหลอนเท่านั้นไปเสียให้คนฉันไปฉันไม่ต้องการเห็นหน้าแกในขณะนี้เลยมันไม่ช่วยอะไรฉันดีขึ้นมาแม้แต่น้อย ช่วยได้สิอย่างน้อยผมก็เตือนผู้กองได้ยังไงละ่ะไอ้บ้าแกจะมาเตือนอะไรฉันก็เตือนให้ระวังถึงเงาภัยที่มันคลืบนคลายเข้ามาหาคณะของผู้กองภายในคืนนี้นะสิและส่วนผู้กองเองผานมานอนผัวง่า๊บผัง่าง๊บอยูอย่างนี้จะป้งองกันคุ้มครองใครก็ได้ละ่ะเงาภัยมันเป็นอะไรและจะมาในลักษณะไหนประเดี๋ยวก็รู้และระวังแก้ไขไม่ทันตลอดเวลามาผู้กองเป็นหลักประกันและเป็นเครื่องรางอสัก ศ, ศิษย์ของผู้ร่วมคณะทุกคน แต่ถ้าผู้กองมันนอนทุนทรายอยู่แบบนี้แม้แต่ชั่วขณะก็ตามไทยมันจะช่วยโอกาสเข้ามาในตอนนั้นแหละถึงมันจะทำอะไรผู้กองไม่ได้แต่บุคคลที่อยู่ภายใต้รับผิ่ชอบของผู้กองละ่ะระวังจะเสียชื่อจอมพลผู้ยิ่งใหญ่นะ ลากที่คูเขาอยู่ข้างๆเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนประงานเป็นรูปโฉม ง, งามเยี่ย ง, งผบุตรเทศอันหาที่ติไม่ได้รูปร่างหน้าตาอย่างนั้นกระแสเสียงพูดจำนวนอย่างนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเจ้าอาดีตร้อยโทรกองจนเฉียงคู่ปรั บ, บเดิมของเขาแง่ซรายในจินตนาการอันเร่าร้อนหรือคิีไข้หรืออะไรก็ตามเดี๋ยวมองไปรอบๆแคมขนาดนั้นพยายามสังเกตที่จะลุกขึ้นมาให้ได้แต่หมดความสามารถและโรคสาคู่นั้นก็หันมาจับนิ่งที่เขาอีกครั้งหนึ่ง ยิ้มยีเยวนควรบาถาเหมือนเดิมเม่มีผิดเพี้ยนไปทุกคนหลับหมดแล้วแม้กระทั่งลุนคําไฟก็กําลังจะมอดคืนนี้ที่นี่มันเป็นบรรยากาศที่ไม่เหมาะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้กองเจ็บป่วยเสียคนเดียวอย่าโมัแต่เกรงใจพวกนายจ้างหรือกลัวว่าคนหลังพวกนั้นมันจะเห็นถึงความอ่อนแอนของผู้กองเลยให้ใครไปรเรียกเขามาช่วยเถอะพลานใหญ่ระพินไพรวันจะมีสภาพไม่ผิดอะไรกับลูกนกครัวหนึ่งเท่านั้นในภาวะที่โลกเก่ามันดล่นงานอยู่ในขณะนี้ช่วยตัวเองยังไม่ได้จะไปช่วยใคร ไปให้พ้นไอ้ตัวยุ่งฉันรับรองว่าฉันคิดถึงแกอย่างที่สุดแต่ไม่ต้องการให้แกโผล่เข้ามาหลอกหลอนฉันเล่นแตสักพฉันเจ็บป่วยเช่นนี้มันทําให้ฉันต้องคิดถึงแกหมักขึ้นไปอีกภาพนั้นหย่อนกายลงนั่งริมเขาอีกครั้งหนึ่งยิ้มละไมคิดถึงในด้านไหนคิดถึงว่าฟ้าให้ดะพินมาเกิดแล้วฉันไหนจึงให้แง่ทรายมาเกิดอีกงั้นเหรอโผเอ้ยไอย้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนใครเสียเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นพ่อจะแช่ให้เองไม่มีความสุดตลอดไป แม้นว่าเองจะหนีข้าไปสวยสุขอยู่ในดินแดงของเองแล้วก็ตามทีค่คุกองก็พ่อแม่จะสั่งสอนผมได้ยังไงในเมื่อท่านตายจากผมไปตั้งแต่ผมยังเล็กๆทุกองก็รู้ถ้างั้นหลวงปู่พระทุดงทีเลียงเองมาท่านก็ไม่สอนเองโปรดชมงานผู้นั้นยักไหล่ทาไมท่านจะไม่สอนท่านสั่งสอนอบรมสารพัดวิทยาการให้แก่ผมครบถ้วนหมดทุกอย่างนั่นแหละไม่อย่างนั้นผมจะย้อนกลับไปกู่ประชาชนกู้ราชบรรรังคืนไม่ได้อย่างไร ท่นสอนแม้กระทั่งว่าวิธีที่ทําให้ผู้กองเต้นเป็นนิ้วนะ่ะควรจะทํายังไง <c oughs> นี่ไอ้ผีถามจริงๆเถอะแกเป็นอะไรกันแน่นะผีป่าจําแรงร่างมาในคราบของแง่ายใช่ไหมหรือว่าฉันปั้นแกขึ้นมาเองในมโนรมอันพุ่งสั้นของฉันยามที่ผู้กองพุ่งสั้นขนาดหนักอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ผู้กองไม่เคยคิดถึงใครหรอกนอกจากนายหญิงแต่เมื่อนายหญิงไม่สามารถจะมาปรากฏเป็นภาพชัดเจนหรือให้การช่วยเหลือใดใ ด, ดแก่ผู้กองได้ มันก็ควรจะเป็นหน้าที่ของผมที่จะแทรกเข้ามาก่อนไม่ใช่รึฉันไม่เชื่อว่ารางที่ฉันเห็นอยู่ในขณะนี้คือแง่ท า, ายขอโทษทีตาของผู้กองหลับถึงยังไงก็ไม่มีทางจะเริ่มขึ้นมาเห็นผมได้หรอกนั่นแหละถึงแม้ในความคิดฉันก็ไม่เชื่ออยู่ดีนั่นแหละว่าแกคือแง่ท า, ายนอกจากผีป่ามันสวมรอยอยู่ผู้กองก็ปราดเปลืองในเรื่องสยเวทอาคมอยู่ไม่ใช่รึอเอาสิลองตั้งจิตภาวนาสวดมนต์ขับไล่ดูถ้าเป็นพูดหรือเป็นวิ ญ, ญญาณ รอจนโอปาปะติแ้นต่ําทั้งหลายมันก็คงจะไม่สามารถหลอกหลอนดวงจิตของผู้กองต่อไปได้หรอกมันคงจะต้องเผ็นป่าล่าไปแต่ผมรับรองว่าผมไม่มีวันเผ่นยกเว้นแต่ผมจะไปเองแต่ผมก็คงจะอยู่ได้ไม่นานต้นองนะสมัยก่อนนี้ก็คอยเคียงข้างเป็นบ่าวรับใช้ใกล้ชิดอยู่ทุกขณะสุดแต่จะติดหัวใช้ยังไง มาสมัยนี้ก็อยากจะรองปล่อยให้ผู้กองเผชิญหน้ากับสารพัดปัญหาตามลำพังตัวคนเดียวดูเสีบ้างไม่มีแง่ใจไม่มีนายหญิงดารน ผ, ผู้กองจะรู้สึกละแต่พินพยายามรวบรวมสิ่สัมชัญญะและกำลังใจเพื่อจะภาวนาอาคมบทสวดขับไล่วิญญาณร้ายแต่เขาก็เระเรือนไม่อาจเข้าได้หมดในยามนี้มันให้ติดขัดลงลือไปหมดร่างที่ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้รับนั้นยิงฟันยิ้มเหลวจะไม่ได้ ก็คิดไข้ขึ้นตั้งร้อยสององศาแบบนี้จะเอาสติสตังที่ไหนมาสวดมนต์เขานิ่งไม่คิดที่จะโต้อตอบอะไรอีกทั้งสิ้นพยักขจัดภาพนั้นให้สลายไปจากมโนภาพแต่มันก็ยังเด่นชัดแจ่มใสเหมือนเดิมดูเหมือนว่าห่างกันแค่เอื้อมเท่านั้นแล้วตําหนยงต่ำลึกในแววสัพยอ ก, ก็แววมาอีกร้องเพลงให้ฟังเอาไหมเผื่อจะเพลินเพลินสบายใจสางไข้ได้บ้างเพรานิ่มเจ้าร้านความประ ก, กรรมช้าชอกใจที่เธอทําไว้นั้น ฉันเข้นมันกันออกมาเป็นน้ำตาต้นหลังให้ผิดหวังที่มันข้างอยู่ในอกฮ่าแกเป็นผีตัวที่ทเลึ่งที่สุดเลยอ้าวแล้วกันยังไม่ทันจะตายดันเรียกเป็นผีเสร็จแล้วงั้นเอาใหม่หวังว่าคงจะจาเพลงนี้ได้หรอกนะยุงทองร่องฟ้าเมยคินทวินหวันไอดินโบยบินผินสูรพสุธาดอกคว้านโนมกิ่งลงมาจากสวรรค์อาภาให้ดินปรีดาอาวอ์ แงาซายใช่แก่แน่ๆแล้วหรือมิฉะนั้นฉันก็กําลังคลุ้มครั่งเสียสติเพราะกาลังจะตายผมจะปลุกนคนณําให้ถ้าไม่ต้องการเรียกหมอผมแดงคนนั้นมาช่วยผู้กองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการกินยาเพิ่มราวจบร่างนั้นกขลุกขึ้นแล้วเคลื่อนทางออกไปเดี๋ยวแงาซายกับประกร อ, อย่าเพิ่งไปฉันต้องการคุยกับแกึ่นคิดถึงแกอย่างที่สุดที่นี่แกมาหาฉันจริงๆมาหาได้ยังไงกัน ใคคนหนึ่งขยับปลุกเขาโดยแรงพร้อมกับเรียกเสียงสีสีอย่างร้อนรนและเพียงสัมผัสได้กับความหนาวเย็นเปิดเปลือกตาอันหนักอึ้งขึ้นก็มองเห็นคุณคำกับจันนั่งร้องเรียกเขาอยู่คุณคำมีคนขย่าแขนนายนายเป็นอะไรไปตายละตัวร้อนฉี่อย่างกับไฟทำยังไงดีระหวะไอ้จันช่วยกูคิดถี่เสียงตาเท่าสมุนมือขวาของเขาแล้ล่ำระ ล, ะ ล, ะละักไปปลกเรียกหมอเบวกันเถอดพิคัมนายกําลังจับสันเธอใหญ่แล้ว เสียงตะโกนเรียกไอ้แง่สายลั่นไปหมดนั่นสิค่าตกใจตื่นขึ้นมาก็เพราะได้ยินเสียงนายตะโกนเรียกไอ้แง่สายนั่นแหละตะพินได้ยินเสียงพูดเริร่มตื่ของบุญคำและจันยังถนัดเขาเอื้อมมืออันสั่นเาไปคว้าแขนใครคนใหนบนหนึ่งไว้ถามเบาเแง่สายอยู่ไหนบุญคำหานายว่ายังไงนะทั้งสองคนร้องเสียงหลงแง่สายมันเดินไปไหนแล้วมันบอกว่ามันจะไปผูกบุญคำ คุณคำกับจันมองหน้ากันเลือกหลักอุทานออกมาโอนายเพลยใหญ่แล้วแงซ า, ายที่ไหนแงซ า, ายมันก็อยู่มรกรนครกลายเป็นสมเด็จพระเจ้าจากปราธิราชไปแล้วนะสิคุณคำกับจันหนักตกใจเตื่นเพราะได้ยินเสียงนายร้องตัวสันผับๆไข้สูงอยู่อย่างนี้นะสีจิ้นกับมือทั้งสองแน่นไว้กับปกสันเทิรมไปทั้งกายพยายามพูดให้เนรกตกสิเมื่อหยกหยกนี่เองฉันยังพูดคุยอยู่กับมันเลย เช่นหมายถึงไอ้แงาซายนั่นแหละมันแต่งชุดเดิมกับที่เราเคยเห็นมันไปสมัครงานในวันแรกเขามานั่งคุยกับฉันอยู่พักใหญ่ทีเดียวแล้วมันก็บอกว่ามันจะเป็นผมบี่คำให้ฉันไม่ได้ฝันหรือเพอฉันรู้ว่าฉันไม่สบายมากแต่ก็ยังมีสติพอชิบหายแล้วพี่คำถ้าลงเห็นให้แงาซายมานั่งอยู่ข้างๆอาการของนายคงนักเต็มที่พี่คาที่ไปตามหมอเบลเถอฉันจะนั่งเฝ้านายเอง มือคำภาะวะจะสะเก็ดตะกายลุกขึ้นตาดพินช่วยแขนไว้สัรีสาพูดทั้งๆที่ทา ง, ทงสั่นกระทบกันแต่เด็ดเดียวในน้ําเสียงไม่ต้องบอกแล้วว่าอย่าไปกวนเขาฉันไม่ต้องการให้เขาเห็นฉันในสภาพอย่างนี้หยิบยาในหลอดสีขาวจากหลังย่ามหลังมาใหเ้เร็วเร็วที่สุดเลยสมุนขวาภาะวะภูวงตัดสินใจอย่างไรไม่ถูกแต่เมื่อถูกเจ้านายตวาดซ้ำใหม่ครั้งหนึ่งจึงบดนตาได้เปิดย่ามหลังค้นหาหลอดยา ซึ่งแกรู้จักและจําได้แม่นยําดีอยู่แล้วมาเปิดขาออกในขณะที่จันทเห็นเข้ามาช่วยกระติกน้ําเปิดขาออกช่วยประคอ ง, ข, อ ง, ข, องขึ้นคอขึ้นกี่เม็ดนายสามสี่เม็ดอะไรก็ส่ ง, สงมาเถอะเดี๋ยวฉันค่อยๆยังชั่วเองแหละไม่ต้องวุ่นวายนักหรอกตาคาเรียบสมยันให้เขาเอาพินยักใส่ปากด้วยมือสันเทาจันก็ค่อยๆกรอกน้ําให้ที่ริม ป, ปากพานใหญ่เคลืนยาเสร็จก็หลับตาลงตามเดิมนอนจะแคงคุดคู่กอดอกไว้ โรคติทต้ปนปกติของเขาทั้งสองบระสานงานกันอย่างคล่องแคล่วว่องไวเพราะเคยชินล่วงการกันดีอยู่แล้วจันไปหาทั้งกระสอบบาและผ้าห่มเท่าที่จะหยิบช่วยมาได้จากรูปหาบนำมาคุมพับให้ส่วนมือคํานั้นโดดเข้าไปหมไฟที่ร้านย่างเนื้ออันกําลังมอดแดงเสร็จการจุูพักเดียวก็โรคเป็นเผลคือขึ้นจากนั้นก็แยกกองไฟมาก่อไว้บริเวณใกล้เคียงกับที่ระพินนอนเพื่อให้อุ่ เพื่อให้ไอายนศาสตร์เข้ามาถึงช่วยกันง่วนอยู่เพียงสองคนโดยไม่ทําสิ่งใดให้เอะอะโศกาตากขึ้นทั้งสองเข้าใจความประสงค์ของเจ้านายดีแม้จะเป็นความเป็นห่วงสักขนาดไหนแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมากันมากแล้วนักรั้งไม่ท้วนต่าง ก, ก็มั่นใจว่าจะอย่างไรเสียระพิงก็คงจะไม่ถึงกับเป็นอันตรายอะไรนักเพียงแค่รอให้อาการสางซาไปเองตามกําหนดเวลาของมันและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นปกติเรียบร้อยเหมือนเดิม ในความหนาวเยือกจับพวกหัวใจและสองหูที่ล่างอื้อไปหมดความรู้สึกของรับผินขัดขากนหายเขาสเสียงเหนียกเสียงบุนคําและจันซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆตัวพูดอะไรกันทุ่คมความฟังไม่ได้สับประเดี๋ยวมีมือมาจับที่ขาประเดี๋ยวมีมือมาจับที่ลำคอและหน้าผากความทั้งมีผ้าห่มทับซ้อนกันลงมาเรื่อยๆจนหนักอึ้งไปหมดต่อมาก็รู้สึกคลายใจที่เฉิมจันร้องสั่งความตกเกิดรุสัยคนใดคนหนึ่งเร่งให้เติมเชื้อฟืนที่กองไฟที่ก่อไว้ด้านหลังโลมพักของฝ่ายในจ้าง มีการเคลื่อนไหวบ้างเล็กน้อยภายในบริเวณแคมป์ที่พักท่านและทุกสิ่งทุกอยากก่างคงเงียบสงบลงตามเดิมเขาไม่อาจจะทราบได้ว่าทั้งบริษัและกันตรลอดจนสภาพ ท, ทั่วไปของบริเวณฝังทังพยามนี้เป็นอย่างไรรู้สึกแต่เพียงว่าสองหูรั้นเอื้อด้วยฤทธิ์ยาไม่ได้ไม่ได้ยิ น, ย น, ส เ, นยเสียงใดทั้งสิ้นคล้ายๆกับอยู่คนเดียวในโลกอันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างและเยือกเย็นที่สุดเวลาจะผ่านพ้นไปอีกเท่าไหรไม่ทราบได้จากความมืดสนิทประดุกมีม่านสีดำมาถึงไว้ชนิดที่มองอะไรไม่เห็นเลย ภแวดล้อมรอบตัวค่อยเริ่มใสขึ้นใหม่ครั้งรากับภาพที่เห็นในจอภาพยนตร์มันเป็นฉากของเงาสลัวตะคุ่มรางของบริเวณแคมป์ที่พักนั่นเองกองไฟที่เพิ่งทำก่อไว้ทางด้านขวาใกล้ตัวของเขาลุกสว่างพร้อมแผมงสาดแสงรางๆงไปในรัศมีจํากัดมันมานั่งอีกแล้วริมกองไฟใกล้ๆตัวเขาแค่นี้เองเจ้าเงาทายสำนึกบอกกับตัวเองว่าได้เพืนิตพิจารณาภาพมายานั้นและพยายามกระจัดออกไปแต่คุณ่งพรช่วย ก็มันเห็นทนชั่วอยู่นี่ชัดๆบนขอนไม้ใหญ่ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นปืนสำรองข้อสอกวางอยู่บนเขา่าและคางวางอยู่บนฝ่ามือในตาขี้เล่นมีประกายยิ้มๆขันๆบนคำฉันเห็นนายเป็นเจ้าแงซสายไปอีกแล้วสิคืนนี้อาการมันท่าจะหนักเอาจริงๆปากเขาไมา่ได้พูดแต่ใจรำพึงเช่นนั้นเอ๊ะดูยังไงนี่ผู้กองก็แง่สายออกชัดๆจะดูให้เป็นลงคำไปได้ยังไงแกงั้นสิผมละ มาลาเรียคงจะขึ้นสมองฉันเสียแล้วฉันคงจะไม่รอดคืนนี้เสียแล้วกระมังถึงได้มองเห็นเป็นตุบเป็นตะอะไรเช่นนี้บอกแล้วยังไงว่าคนอย่างผู้กองยังไม่ตายง่ายนักหรอกเห็นจะยังยักแย่ยักจันอยู่ในป่าไปอีกนานแต่คืนนี้นะ่ะอาการหนักหน่อยนะอยากผิดสัจจ์ทอดทิ้งนายหญิงมานี่แกก็น่าจะรู้ดีถ้าแกเป็นอนุสติของฉันเองว่าฉันไม่ได้มีเจตนาจะขะจากนายหญิงมาเลยมันถึงคราวเคราะกรรมที่จะต้องพัดพรากจากกันจริงๆ ใช่ผมรู้ชีวิตสัตว์โลกมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมรุดขีดไม่มีใครสามารถกําหนดช่วชะตาของตัวเองได้หรอกตอนนี้เป็นยังไงบ้างละ่ะหนาวเปลี่ยวว่าเวคิดถึงเศร้าหมองระทมทุกข์แกก็ยังเป็นเงาชายคนเดิมถึง่นั่นน่ะนะเหน็บแนมเรี่ยวรถประชดประชันแฝงเล่และก็ลึกลับแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือผมจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้กองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ผู้กองไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เช่นในขณะนี้ รูดโฉงงามในชุดพันเขลีงยงเคจรเอื้อมมือไปจัดปืนในกองไฟเมื่อมันกินรำพ้นกองออกมาแล้วแกมาช่วยอะไรฉันได้บ้างละ่ะอ้าวอย่างน้อยผมก็ช่วยไปปลุกดวงคมกับนาจันให้ช่วยกันเอายามาให้ผู้กองกินเมื่อคนนี้ยังไงละ่ะเอาละผู้กองนอนเฉยเถ อ, อย่าพยายามสนใจอะไรกับผมนักเลยทั้งคำพูดทั้งกริยาและทั้งลักษณะของแก ท, ที่ฉันเห็นอยู่ในขณะนี้ มันเหมือนกับว่าแกมีตัวตนจริงๆและร่วมทางอยู่กับฉันเหมือนสมัยหนึ่งที่เราเคยร่วมกันมาแล้วรางที่กําลังชนฟืนอยู่ตะแคงใบหน้ามองข้ามไหลมาที่เขาเลิกคิ้วขึ้นนิดหนึ่งผมไม่เคยลืมและผู้กองก็ไม่เคยลืมเดือนเลยนี่ถ้าฉันลืมตาขึ้นภาพของแกก็คงจะอนตรายหายไปใช่ไหมอย่าพยายามลืมตาเลยเปลือตาของผู้กองขนาด น, นี้มันหนักที่สุดเปิดมันขึ้นมาไม่ได้หรอกแล้วก็อยามาพูดคุยซักถามอะไรผมให้เหนื่อยใจเลยสงบจิต พักผ่อนเสียแล้วแกล่ะผมจะนั่งเฝ้าผู้กองอยู่ตรงนี้ผมเฝ้าเฉพาะผู้กองเท่านั้นนะสําหรับคนอื่นผมไม่มีหน้าที่คุณคําจันทร์และคนอื่นๆตอนนี้เขาทาอะไรกันอยู่ที่ไหนกันบ้างทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วละ่ะเหลือแต่ผู้กองคนเดียวเท่านั้นที่ดวงจิตยังตื่นอยู่ด้วยงความค้งซ่านแต่ก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้ทั้งสิน้นแม้แต่จะขยับหเขยื่นตัวเฮ้ยน่าช่วยเหลเสียจริงๆประพินทร์รวันจอมมกคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่ จุดอ่อนของผู้กองมันอยู่ที่โรคประจำตัวที่ไม่รู้จักจะหายสักทีหนึ่งถ้านายหญิงรู้ความจริงว่าขณะนี้ผู้กองมานอนสมจับค่ายอยู่กลางป่าแบบนี้เธอคงแทบช็อกนายหญิงอาจจะระลึกถึงฉันเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นและเมื่อฉันหายจาบศูนย์ไปในป่านานเข้าเธอก็คงจะค่อยๆลืมเลือนไปเองฉันต้องการให้เป็นเช่นนั้นด้วยเพราะฉันไม่คิดว่าจะมีโอกาสกลับไปอีกแล้วแง่าซ้ายเบินกายช้าๆหันกลับมาเผชิญหน้ากับเขาในลักษณะหน้าตรง ผู้กองหมิ่นน้งใจนายหญิงของแง่ชายจุดเพียงนั้นเชียวหรือใครควรดูให้ดีนะในชีวิตของผู้กองเคยมีผู้หญิงคนไหนที่เคยพิสูจน์ความรักที่มีต่อผู้กองอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงจะได้สุดใจขาดดิ้นอย่างนายหญิงดารินวราเลศ ม, มาก่อนบ้างไหมเอาสักเสี้ยวกะผีเดียวก็พอแล้วละทิ้งอึ้งงันซึมเศร้าร้า ว, วรานหนักลงไปอีก <c oughs> ผู้กองคิดด้วยความรู้สึกที่ให้ร้ายกับตนเองด้วยสำนึกที่ว่าตนเองนั้นต่ํำต้อย อับได้ว่าสนาแต่ผู้กองก็เคยเห็นน้ำใจของพรสตรีผู้นั้นมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่าเธอมีจิตวิญญาณที่หนักแน่นเที่ย ง, งตรงต่อผู้กองขนาดไหนเธอผู้นั้นไม่ได้มีความดวงจิตทิศวัดที่จะมอบให้แก่ผู้กองเยี่ยงหญิงคนหนึ่งจะพึงมีให้แก่ชายอีกคนหนึ่งเท่านั้นเธอยังรักใคร่ผูกพันอยู่กับผู้กองเยี่ยงมิตรร่วมตายอีกด้วยผมกล้าพูดได้ว่าถ้าแม้นเธอมองเห็นความตายความวินาศย่อยยับของผู้กองอยู่ตรงหน้า และเธออยู่ในฐานะจะเอาตัวเข้าแรกรเผชิญรับหน้าไว้เสียเองได้เธอจะไม่ลังเลใจจนนิดเดียวมีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าลักแท้นั้นหายากสุดจะคว้ามาเชยชมแต่มิดแท้ที่นิยมยิ่งยากหากว่ารักแท้สำหรับผู้กองนั้นมีดวงแก้ประเสริฐอยู่ในมือคือทั้งรักแท้และมิดแท้รวมกันอยู่ในตัวบุคคลคนเดียว เธอผู้นั้นก็คือหม่อมราชวงศ์หญิงดาเรนวราลิศแล้วฉันไหนจึงไปคิดดูแคลนน้ำใจของเธอผู้นั้นเสียเสียงกรางวันชุ้มแว่วช่มช้าเป็นจังหวะเข้ามาสู่จิตประสาทของเขาชัดเจนทุกค่อยกระทงความไอ้น้องชายแง่ายฉันต้องขอโทษคุณหญิงดาเรนไว้ต่อหน้าแกณที่นี่ด้วยฉันก็จะหนักอยู่แก่ใจดีว่าทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้ามี ฉันจะไม่มีวันได้รับความรักความหลาถนาดีและความจริงใจจากผู้หญิงคนไหนได้เทียบเท่าสภาพสตรีคนนั้นอีกแล้วมันเป็นความจริงของแกทุกอย่างฉันอยากจะเดินทางกลับละเกินใบหน้าคมสันหมดจดงามจุดภาพปั้นวิจิตร ด, ดวงนั้นก้มลงมาใกล้เขาโดยเกียรติยศศักดิ์ศรีของจอมมกุฎเทพนามวารินชัยวันผู้กองไม่อยู่ในฐานะที่จะกลับหันหลังได้และผมก็รู้ด้วยว่าผู้กองจะไม่ยอมกลับแม้จะรู้ว่าความตายรอยอยู่เบื้องหน้า มันเป็นคืนที่แสนเศร้าและทุกข์ทรมานสำหรับฉันเหลือเกินผู้กองกำลังไม่สบายจิตใจก็เลยพลอยอ่อนไหวไปด้วยแต่เมื่ออาการไข้สางซางลงผู้กองจะมีจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนเดิมแง่ชายครับผมฉันดีใจเหลือเกินที่พบแกในภาวะเช่นนี้แม้จะเป็นการเห็นในมโนภาพของฉันคนเดียวก็ตามฉันไม่คิดว่าจะได้พบแกได้เห็นภาพแกชัดๆแบบนี้อีกแล้วนับตั้งแต่เราแยกจากกันครั้งนั้น ดูเอาเถอะมิเชันสาับานว่าฉันเห็นภาพละเอียดอ่อนขนาดมองเห็นเส้นขนตาของแกทีเดียวนะลักษณะของแกคงเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งไอ้ปืนสับพลังเคของแกกระบอกนั้นแง่ชายเบิกตานิดหนึ่งอย่างล้อล้อเอื้อมมือไปควา้าเวีนเช็เสอร์คานเหวี่ยงจุดสี่สี่สี่ศขึ้นมาและสะบัดคันเหวี่ยงออกช้าๆทีละครั้งกระสุนโบราณดูเก่าค่าคลาดกระเด็นออกมาจากช่องคลายทีละเม็ดร่วงลงกับพื้น เจ้าเดียด์้อยโทร ก, จกราจเชิญเสี่ยงกวาดเก็บขึ้นมาในอุ้มมือแล้วแบงให้เขาดูปืนมันก็เก่ากระสุนก็ยิ่งเก่าเข้าไปใหญ่เปนหนิมจับขอบเขียว อ, อือผมยังไม่ได้บอกผู้กองในครั้งนั้นเลยว่าผมไปได้ปืนกระบอกนี้มาจากไหนจริงสิฉันก็ยังไม่ได้ถามแกเหมือนกันเพราไม่ได้สนใจอะไรผมเอางาช้างคู่หนึ่งไปแลกกับข้อค้าห่อได้ษฎาตระกูลแม่เสเี่ยงได้ไอปืนปื โ, โลทั้งกระบอกนี้มาพร้อมทั้งกระสุนแค่ไม่เกินสามสี่สิบนัด ยิ่งออกมั่งไม่ออกมั่งแล้วก็ท่องเที่ยวบุกใครไปเรื่อยๆประมาณสักสาสเดือนก่อนที่จะไปสมัครเป็นคนใช้คณะเดินทางของผู้กองที่ของหนองน้ําแห้งแต่มันก็สมฐานะกับบุคลิกของผมดีไม่ใช่หรือถ้าผมถืออะไรขึ้นวินสโตนหรือวิชบีเดินเครื่องเคเข้าไปสมัครเป็นคนรับใช้ผู้กองอาจจะถีบผมออกมาไม่ทันแต่คือยังไงผู้กองก็ยังระแวงสงสัยผมไปตลอดเส้นทางจนกระทั่งวินาทีสุดท้าย เมื่อผู้กองรู้แน่ว่าผมคือใครและมากับคณะของผู้กองเพื่ออะไรตาจบแง่ใาจาก็หเราะกลางวานนุ่มตะพินรู้สึกตนเองยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกเริ่มรู้สึกอบอุ่นเป็นสุขขึ้นมาอย่างประหลาดล้ําถามทิ้งจีนทแง่ใาจานี่แกมาพบฉันได้ยังไงกันก็ผู้กองไม่ได้คิดถึงผมหรอกหรืออย่างน้อยก็สักแว๊กหนึ่งระหว่างที่ออกเดินทางมาในครั้งนี้ให้สิฉันคิดถึงแกมากที่สุดลงลงไปจากนายหญิง ก็ไม่มีปัญหาอะไรพลังจิตของผู้กองแรงออกจะตายไปเมื่อคิดถึงผมผมก็มาแต่ก็ไม่เสมอไปหรอกนะมันสุดได้แต่เวลาจะอำนวยให้หรือไม่ทุกนั้นสำหรับคืนนี้นะ่าปลอดโลงมากผู้กองไม่สบายดวงจิตอ่อนแอที่สุดแทรกซึมไม่ง่ายผมก็ไม่ต้องมาคอยกังวลหรือว่าถ้าผู้กองจับไว้จับทิพหรือค้อนหาความจริงอะไรออกมาได้อย่างมากพอพรุ่งนี้เช้า เมื่อลืมตาตื่น ม, มีสติสะพัสยัญษ์ขึ้นมาผู้กองก็คิดว่าตัวเองฝันไปก็แค่นั้นเองแล้วนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าไอ้หนุมกระเลงสงงามแน่าดีดผู้นั้นยักไหลยิ้มกว้างตามเดิมไม่มีอะไรมาพิสูจน์ได้และผู้กองเองก็เอาไปบอกเล่าใครฟังไม่ได้ด้วยธรรมชาตินิสัยของแง่ใจมันริเรับอยู่แล้วผู้กองก็รู้นี่นาประทิมพยางเฉลิมตาขึ้นแต่ลืมไม่ขึ้นรู้ตัวแน่แต่เพียงว่าขณะนี้ไม่ได้หลับเลย อยากจะเอื้อมมือมาจับที่ประจอยของตนเองก็อดดิบแขนไม่ไหวท่าถนัดเหมือนถูกสะกดด้วยเวทมนต์เอาละถ้างั้นเราลองมาคุยกันต่อตจะจับผมให้ได้ใช่ไหมล่ะว่าผมเป็นผีเป็นคนเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นภาพมายาที่ผู้กองสร้างขึ้นมาเองผู้กองในร้ายกาจเหมือนเดิมนะขนาดไม่สบายหนักอยู่อย่างนี้ยังพยายามที่จะควบคุมสติค้นหาวินิจฉัยออกไปให้ได้ว่าอะไรมันคืออะไรผมกลัวใจจริงๆเลยพัผ่าแกอย่าเพิ่อองสลายตัวหนีฉันไป ก, ก่อนสิ นะลองดูคนอยู่ก็ได้ก็จะอยู่กับผู้กองจนให้นานที่สุดถ้าทนไม่ไหวก็เข็นขออย่างเดียวอะอย่าท่องคําว่าอัปเปคิก็แล้วกันไม่หรอกฉันจะไล่แกทําไมกันถ้าฉันจะท่องออกมาสักประโยคหนึ่งก็คือนิกันจะสัพโโลกะสมิงมามะมามะอ้าวแล้วกันดันเรียกผีส่งไปเลยอยากจะแช่ให้แงซทายเป็นผีไปเสียเร็วๆหรือ ย, อยังไงท่านใหญ่โหวเราะ แกไม่ใช่ผีแน่นะเอ๊ะทักจะสงสัยตัวเองเหมือนกันแล้วแฮะแง่ทรายลุกขึ้นสร้างสูงส ง, งา่สงงางามงามราตรนักรบโรมันยิ้มคราวอวดฟันสองแถวขาวเป็นเงาทําไมแกมาให้ฉันพบในลักษณะของแงาา่ทรายทําไมจึงไม่มาให้พบในลักษณะของสมเด็จพระเจ้าจักราชราชถามใจของผู้กองเองเสียก่อนว่าอยากจะพบใครในระหว่งงางแง่ทรายกับจักราชราชจริงสินะเส้นปราสาที่จะพบแงาทรายมากกว่า เพราะฉะนั้นผมจึงมาพบผู้กองในลักษณะของง า, า่ใจมันก็ลําบากสําหรับผมไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะในการที่จะย่อและลึอกอไปถึงภาพเก่าๆของตนเองว่าขณะที่ผมเป็นง า, า่ใจโผล่เข้าไปสมัครงานกับผู้กองที่หนองน้ําแห้ในขณะนั้นหนะักผมมีโฟอนิเจอร์อะไรติดตัวไป็นมั่งแม้กระทั่งไอ้ปืนสักปรังเคกระบอกนี้ร่างนั้นชู ป, ปืนในมือให้ดูถ้างั้นแกก็ยิลืมย่ามฆ่าชีริตของแกไปเสียย่ามหนึ่งแล้ววันนั้นแกคอนย่ามสกรปรกมาด้วยใบหนึ่ง แง่ทายย่อนหัวคิวนิดหนึ่งลักษณะย้อนคิดทบทวนความหลังแล้วหัวเราะดีดนิ้วเบาๆทางชี้มือมาทางเขาทิ้งสินะความจําของผู้กองดีกว่าของผมเสียอีกไม่มีอะไรที่ฉันจะลืมเกี่ยวกับแกเลยนัแง่ทรายน่ารักนี่ดีว่าผมเป็นผู้ชายนะเนี่ยถ้าผมเป็นผู้หญิงป่านนี้รักผู้กองก่อนนายหญิงเสียด้วยซ้ําถึงเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันถ้าสามารถจะกลับเพศตัวเองเป็นหญิงได้ผมก็ยอมเป็นเมียผู้กองไปนานแล้วไอ้บ้า แกมันทะลึ่งหน้าตายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละสัญญาเป็นก่อนถ้าจะถามอะไรแกต้องบอกถ้าบอกได้ก็จะบอกถ้าบอกไม่ได้ก็ต้องโกหกยังไม่เลือดได้ใส่ก็รอดอีกหรือถ้าไม่ก้อร้อนก็ไม่ใช่แง่ท า, ายนะสิตัวจริงที่มีเลือดเนื้อและปิญญาของแกขนาดนี้ที่ไหนก็หน้าดินแดนที่มีจุดนัดพรบระหว่างที่วากับราตรีนั่นแหละผู้กองก็รู้นี่แต่ให้ตายเถอะผู้กองใจดําชมัดไม่เคยเขียนจดหมายโทเรเลขหรือโทรศัพท์ไปคุยกับผมบ้างเลย พอจากมาแล้วก็หายสั่แต่ว่าพอตกทุกข์ขได้ยากขึ้นมาแล้วก็ลำพึงหาแงาทายทีเดียวผมว่าจะไม่มาแล้วทีเดียวนะแต่อดเป็นห่วงไม่ได้สบาดีหรือจักรราชถ้ายังรักผมอยู่โปรดเรียกเงาทายดีกว่าเอาละแกเป็นยังไงบ้างแงาทราย ส, สบาดีหรือในมรกรนครหลังจากที่พวกเราจากมาแล้วมีใครปฏิบูรปฏิวัติหรือรัฐประหารแกบ้างอีกหรือเปล่าแงาทายปิดปากขอรักกึกกุด ไม่ต้องห่วงหรอกครับบ้านเมืองผมส ง, งบปกติสุขเนื้อกว่าดินแดๆนใดในพิศพโลกนี้ทั้งสิ้นไพ่ ฟ, ฟ้าประชาชนสุข ส, ขสมบูรณ์ดีไม่อดอยากผลฟ้าถกต้องตามฤ ด, ดูกาลคณะรัฐมนตรีของผมหรือข้าราชการทุกระดับชั้นไม่มีใครคอร์รัปชั่นข้อหมดปัญญาที่จะขนเอาเงินออกไปฝากไว้ต่างประเทศที่ใดหไ ด, ด, ได้ทั้งยังไม่รู้ว่าจะกลบโกงแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวไปเพื่ออะไรส่วนผมเองก็ปกครองแผ่นดินด้วยทฤษฎีพราชธรรม มนุษย์เรานั้นถ้าตัดความเห็นกับตัวโรคโมโทสันออกไปเสียได้ก็จะมีแต่สันติสุขร่มเย็นเ ม, มียกะน่ะเมยานี้สบายดีเลยสบายดีมากครับฝากความรลลับรูถึงและห่วงใยมาถึงพี่กาด้วยกําลังจะมีราชทายาทแล้วหรื อ, อยังผมรู้สึกว่าตัวเองจะขยันน้อยไปหน่อยครับสําหรับในเรื่องนี้แล้วเจ้าสาปางละ่ะแพทย์หลวงประจรําราชสำนักมรดกนครครับก็สุขสบายตามอัตภาพ แต่เขาไม่เคยลืมพณะของผู้กองเลยโดยเฉพาอย่างยิ่งในแหม่มมาเรียนเจ้านายเก่าของเขาทุกครั้งที่สาปลาลผ่านรูปปั้นอนุสาวรีย์คณะของผู้กองทั้งหมดที่ผมให้เขาสลักด้วยกินอ่อนประดิษฐานอยู่หน้าสนามชายอันเคยเป็นยุทธภูมิระเลงเลือดครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะปราบพวกขบฏได้สาเร็จรกากคาบซาปลาลจะยืนสงบนิ่งอยู่ที่รูปปั้นของนายแหม่มมาเรียนแล้วซึมอยู่เป็นเวลานานอืมคุยกับแกได้สนุกมากนะและฉันก็มีความสุขเหลือเกิน แม้จะรู้ตัวเองว่าเป็นความคิดคำนึงจากจิตใต้สำนึกของตัวเองที่สร้างภาพขึ้นมาก็ตามว่าแต่ว่าฉันถามถึงทุกสุขทางด้านส่วนตัวและบ้านเมืองของแกแล้วแกจะไม่ถามมาถึงด้านฝ่ายฉันบ้างหรือไงนายแม่แมเรียนนายชัยยันในายใหญ่นายชดนายอิงนายหญิงขยินและเจ้าสหายร่วมตายสี่คนที่มากับฉันในครั้งนี้ด้วยไงทร า, ายสันวิศรชาช้ า, ชาผมจะไปถามไปทำไมในเมื่อผมก็รู้ถึงสภาพเป็นไปของชีวิตแต่ละบุคคลที่ผมรักใครนะ้นักถือ บรรดุยา่าสนิทเหล่านี้ดีอยู่กับใจตัวเองแล้วดีกว่าผู้กองเสียอีกละมั้งถ้า ง, งั้นบอกหน่อยได้ไหมขณะ น, นี้นายหญิงดาเรนทำอะไรอยู่ที่ไหนอยากรู้จริงๆรหรือผู้กองถ้าแกบอกได้เงายชาถอนใจนิดหนึ่งลวงตาคม ง, งามในกรอบลึกนั้นหลีลงแล้วพูดแผ่วเบ า, เบาๆฟังให้ดีนะผู้กองจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมก็ตามขณะ น, นี้วินาทีที่เรากําลังพูดกันอยู่นี้นายหญิงกําลังสะดุ้งตื่นจากหลับ ขึ้นมานั่งอยู่บนเตียงด้วยความตกใจขีดสุดก่อนตื่นเธอฝันร้ายมากแต่มันก็เป็นความฝันที่ตรงกับความจริงนั่นก็คือเธอมองเห็นผู้กองกำลังนอนจับไข้จับสันอยู่กลางป่าอย่างเดียวดายสภาพที่ผู้กองนอนก็คือแคมที่นี่นั่นเองแต่ในฝันเธอไม่ทราบว่ามันเป็นที่ไหนและไปอย่างไรมาอย่างไรเห็นแต่เพียงผู้กองกำลังถูกพิษไข่รุมหนักหนะท่ า, ทานเธอมองเห็นแล้วละครับมองเห็นจากความฝันจกจกนี่เอง แงซ า, ายไปพิจารณาอย่างตกใจเจ้าผู้ปรับของเขาหลับตาลงยกมือขึ้นในท่ายับยั้งไม่เข้าเ อ, าอะอะกล่าวแผ่วเบาต่อมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งขาดผู้กองผมกําลังมองเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนทีเดียวเห็นเหมือนผู้กองเห็นผมอยู่ในขณะนี้นั่นแหละหนายหญิงหน้าซีดตัวสั่นเหงือกแตกทั้งตัวสัน่นทะลุขึ้นแล้วเปิดไฟกลางเพดานแล้วเข้าไปดูที่ลูกของผู้กองซึ่งตัดประจักษ์น้ำมนก๊าซอิหรังที่เคยดงเรื่องราวผจญภัยของผู้กอง โดยเธอเอามาใส่กรอบสร้างไว้ที่ตู้สีงาลิมเตียงใกล้กับเครื่องโทรทัศน์หยิบรูปของผู้กองขึ้นมาดูแล้วกอดไว้กับอกแง่ายแกกำลังจะทำไม่ใช่เป็นบ้าตายอยู่แล้วอย่าทำลายสมาธิของผมทีผู้กองผมเห็นอย่างไรผมก็บอกอย่างนั้นยกเว้นแต่ผู้กองจะไม่อยากฟังผมก็จะหยุดพูดเดี๋ยวนี้บอกต่อไปแกเห็นอะไรอีกเราจะกนกล้องแต่มันดังอยู่แค่ในหัวใจของตนเองเท่านั้น แา่สายก้มหน้าลงอึดใจแล้วก็พูดในกระแสเสียงเดิมเธอเอารูปของผู้กองมาพิจารณาอีกท่าทีตื่นตระหนกเธอก็รีบเรียกนามของผู้กองแล้วเดินถือรูปผู้กองแนบอกออกมายังเธเลสติดกับห้องนอนเบอมองฝ่าความมืด อ, ออกไปเนื้อสัตวึ้นคิดเธอกําลังคิดถึงผู้กองกาลังชงโงนสนเทศหวาดผวากับความฝันเมื่ออยู่ทุกนี้อ้อเดิกลับเข้ามาในห้องแล้วกระสับกระสายรุกรนเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีเสียงแปรรถยนต์จากประตูใหญ่หน้าบ้าน อ๋อใช่แล้วมีรถจนคันหนึ่งมาจอดอยู่เปิดไฟสว่างยามเปิดประตูให้แล้วรถเข้ามาจอดทางลานหินอ่อนเข้าห้องรับแขกสำรองด้านข้างสุภาพบุรุษสองคนในชุดสากลก้าวออกมาอ้าวคุณชายเชศ่ฐากับคุณชายะชานั่นเองไม่ทราบกลับมาจากงานเรีออยงไหนด้วยกันสองคนพี่น้องนายหญิงได้ยินเสียงรถเปิดประตูห้องของตัวเองออกมาวิ่งลงมใดลงมาหาคุณชายใหญ่กับคุณชายกลางมานั่งดื่ม ถ้าคุยกันต่อที่ในห้องบาร์นายหญิงเก้าวเข้ามาอย่างรีบร้อนสามคนพูดกันแล้วกําลังพูดอะไรกันอยู่ลักษณะพี่ชายสองคนแลใจลกใจที่เห็นน้องสาวในชุดนอนลักษณะเพิ่งตื่นตรงเข้ามาหาอ๋อนาฬิกาใหญ่ริมห้องก็มีผมขอดูเวลาก่อนนะสามนาิกาสิหนาทีถ้าพวกกองสามารถลืมตาและดูนาฬิกาข้อมือของตัวเองได้ในขณะนี้ก็จะเป็นเวลาตรงกันพอดีหยุดทไไําไมแง่ทรายบอกฉันต่อไปสิฉันอยากรู้ เพินรลับระลักขอผมฟังหน่อยสิว่าเขาพูดอะไรกันงานชายนิ่งไปนานในท่าที่ยืนก้มหน้า น, นิ่งสงบอยู่นั้นต่อมาจึงถอนใจครั้งหนึ่งมาลูนี้มันเกิดของนายหญิงหรือผู้กองใช่ทําไมบอกมาเร็วเร็วสามคนพี่น้องพูดกันถึงงานมันเกิดพูดถึงเรื่องที่ผู้กองจะต้องลงไปร่วม ง, งานด้วยนายหญิงเล่าใพี่ชายสองคนฟังถึงเรื่องความสั่นร้ายของเธอคุณชายเชิดาฟังอย่างชงโงนไข้ครวนคุณชายกลางเข้ามากอดและหัวเราะอย่างปลอบใจ ไม่รู้สึกว่ามันจะจริงจังอะไรคุณชายกลางสัญญา ว, ว่าพรุ่งนี้โทรศัพท์ทางไกลแต่ช้าติดต่อกับนายห้างอำพลเพื่อให้ตามตัวผู้กองมาพูดโทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าจะต้องลงไปกรุงเทพให้ได้และพี่ชายทั้งสองก็ไล่นายนะหญิงให้กลับขึ้นไปนอนเธอจุดบระเวณสูบนั่งตื่นอยู่คนเดียวยังไม่ขึ้นไปนอนนั่นคุณชายเทษฐาจูมือน้องสาวขึ้นไปแล้วบอกว่าเธอเพิ่งคิดถึงผู้กองมากเกินไปและฝันร้ายไปเองพี่ชายใหญ่สั่งน้องสาวเล็กให้เข้าประตูห้องไปแล้ว เธอกลับขึ้นไปนั่งบนเตียงยังนั่งอยู่ทับผู้กองเธอยังไม่ยอมนอนอ้าวออกมาอีกแล้วเข้าห้องพระจุบธูปกราบพระขอให้แก่ตนนรกถ้าแกโกหกชั้นเนี้อใจเลิศตาขึ้นมองนิ่งมาที่เขาผมไม่มีอะไรจะพิสูจน์กับผู้กองได้หรอกบอกแล้วว่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ขณะที่ผมเห็นเธอสวมชุดนอนสีขาวเป็นกุลาบยาวปล่อยผมสยายนายหญิงขนาดนี้นะ่ะผมยาวไม่ใช่ผมสั้นผิดกับเมื่อตอนเดินป่า จะพิน ง, งานดาวเรนวลาเล่นมีเส้นผมที่ยาจริงๆขนาดที่มาพบเข้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะออกเดินทางมาป่าในครั้งนี้แกมาได้คนกลอลลนตอนแล้วขนาดหนักอยู่แล้วสามารถจะยกเมฆเป็นตุบเป็นตะอะไรก็ได้ทั้งสิ้นเพื่อจะเชื่อเฉือนทรมาณความรู้สึกของฉันเล่นตามสันดาณเตืมนของแกถ้างั้นก็ลืมเสียในสิ่งที่ผมบอกให้ฟังนี่ผมไม่ได้บอกเองนะผู้กองใช้ผมบอกต่างหากออเดี๋ยวนี้แกเป็นผู้พิเศษหูตาทิพย์หรือ ย, ยังไงฮะ ผู้กองอย่ลืมเสนะอย่างน้อยๆแงซายก็คือลูกศิษย์ของมหาฤาษีโกทัญะถ้าไม่แน่จริงผมก็ไม่อาจจะมาคุยกับผู้กองได้อย่างเดี๋ยวนี้ลงหนาฉันจะพิสูจน์อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าแกรู้จริงมองเห็นเหตุการณ์ได้จริงจะให้ผมพิสูจน์อะไรก่อนหน้าที่ฝรั่งพวกนั้นจะมาแจ้งฉันเอาให้ออกเดินทางนายหญิงได้มาพบฉันที่หนองน้ําแห้งแกมองย้อนหลังไปสิในวันและคืนนั้นมีเหตุการณ์สาคัญอะไรเกิดขึ้นบ้าง รอยยิ้มหยันหยันปรากฏขึ้นที่ริมฝี ป, ปากคู่นั้นเรื่องขี้ผงพึมพำเบาๆและอดีตนักเดินดงแพนจรคู่ประจวภัยของเขาก็หลับตาลงอีกครั้งหนึ่งจะเอาให้ละเอียดถึงยี่ห้อรถที่นายหญิงนั่งมาไหมล่ะอย่าเอาเลยนะเอาเหตุการณ์ตัวสำคัญสําคัญก็แล้วกันมีของฝากจากนายหญิงให้คุณแม่ของผู้กองอย่างหนึ่งคือผ้าพันคอขนมิงคืนนั้นนายหญิงไป น, นอนกับผู้กองที่บ้านพักหนองน้งนําแห้งโดยทิ้งคนกับรถและเลขาตุกกตาของผู้ชายใหญ่ที่มาด้วย ให้พักอยที่ฌานในกักกันของคุณอัมพลคืนนั้นตอนหัวค่ำ ม, มีการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยความเข้าใจผิดเป็นของฝ่ายผู้กองเพราะนายหญิงทียงแต่เย้าวเล่นและผู้กองก็นอนจับไข้สันอยู่กลางลานดินหน้ากระท่อมของลุงคำพวกลุงคำเื่นขึ้นมาพบก็เลยไปปลุกบอกความกับนายหญิงช่วยกันแบกผู้กองขึ้นเรือนนายหญิงรักษาผู้กองแล้วให้นอนบนเตียงในห้องเดียวกับเธอเป็นยังไงถูกต้องหรือเปล่าหรือให้แง่ายเป็นยายเหตุการณ์ให้ละเอียดไปกว่านั้นด้วย ละพินขนหัวลุกสู้ตลึงพึงเพิดเมื่อเหตุการณ์ที่เขาผ่านพบมาด้วยตัวเองแง่ส า, ายยังมองเห็นได้ถูกต้องก็แล้วทำไมเหตุการณ์ที่แง่สายบอกเล้าหยกหกนี่เองไอ้เสือนี่จินจะมองไม่เห็นจริงอาการไข้ของเขาก็ยิ่งทวีขึ้นในฉับพรานนั้นหนาวจนปวดเข้าไปถึงกระดูกทุกข้อละพินขดตัวงอเป็นกุ้งคางสันกระทบกันกึกๆ เสียงคนหัวเราะเหมือนจะแกล้งยั่วดังมาอีกว่าเห็นไหมไม่ควรถามหรือท้ายผมบอกอะไรเลยพอรู้แล้วอาการไข้ก็ยิ่งจะกำเริบทุกทรมานขึ้นไปอีกไปให้พ้นแง่ใส่ฉันไม่ต้องการจะเห็นหน้าแกอีกแล้วอ้าวแล้วกันไล่ซะแล้วเอาไปก็ไปดูแลตัวเองก็แล้วกันนะดวงดีก็รอดตัวไปถ้าดวงจู่คืนนี้ก็เสียเหนี่ยมพันใหญ่ระพินไพรวัน ล, ละถีบตาล้อๆให้หนหนึ่งแง่้ายก็หันจะเดินผ่าไป แต่แล้วก็หันกลับมาช่วยได้ฟื้นคู่มือกระ บ, บอกเติมที่วางพิงข อ, อนไม้อยู่ติดมือขึ้นมาด้วยเดี๋ยวต้องเอาโคนเนเจอร์ของแง้สายกระ บ, บอกนี้ไปด้วยเกือบจะลืมทิ้งเสร็จแล้วยังไงล่ะปรเดี๋ยวพอฟื้นใข้ตื่นขึ้นมาแล้วแต่ยังสงสัยว่าเอ๊ะเวลามันไปกูเห็นมันทิ้งไอ้ปืนสปาร์งเคกระ บ, บอกนี้ไว้นิว่าตอนนี้ปืนหายไปไหนเสียจแล้วจะพลอยซัก ถ, กถามพวกพลานพื้นเมืองให้ยุ่งทําให้คนอื่นเข้าเห็นว่าเสียสติไปเปล่าๆโชคดีนะผู้กองเชิญนอนสันไปตามส บ, บายคนเดียวเถอะ ในมนโนภาพด้าของแงซชายเดินดุ่มๆุมตัดฐ่านกองไฟไปทางร้านย่างเนื้อก่อนที่จะลักตุ้มไผ่ริมทางก็หยุดหันมายิ้มยีอยู่ที่ครั้งหนึ่งเห็นฟันสว่างในเงามืดตะกนแว่วแว่มาว่าระวังเนื้อระวังตัวให้ดีเนะ้อพี่ชายเรานอกเหนื้อจะอันตรายรอบตัวสุกสีก้าวย่างจากอาถรรพ์ของป่าและกำเก่าแล้วเพราะยังมีงูตัวเมียสีทองกับสีแดงจ้องเตรียมจะเมือบอยู่ งูสีแดงนะี่ยร้อนนอกเยนน็นในไม่เท่าไรนักเลาะแต่มูสีทองเย็นนอกร้อนในดุเดือดนักเสนหานุภาพแรงกล้าเหลือเกินไม่มีคาถาบใดใจที่จะสกัดกั้นไว้ได้เสียด้วยนอกจากคาถาคํ า, าเดียวเท่านั้นดาเรนดาเรนดาเรนถ้าเหลือบ่าฝาแรงยังไงแล้วก็พยายามให้ลุงําแกใกล้ชิดไว้แกจะได้คอยเตือนสติให้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวมาก่อนในแง่ายบ้าเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวไล่เอาอยัางไงกันนี่ บอกว่าให้มานี่ก่อนเดียวเดียวเท่านั้นงาสายโครงหัวติ่งๆขณะเดินกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหยุดอืนค้ำหัวอยู่กอดอกพวกนั้นมีแผนสกปรปกอะไรกับฉันอะไรแผลสกปรปกมันเป็นแผล น, นิ่มนวลยวนใจน่ารองเสียมากกว่าแต่จำไว้นะอย่าเผลอรองเข้าไปคริสตน่ากรูบินมีเยื่อใยกับผู้กองมากและจดทวีความสนใจขึ้นไปเรื่อยืจนกระทั่งกล า, ายเป็นความต้องการอย่างรุนแรงที่สุด ร้ายยิ่งกว่าแมมมาเรียนาดีดหลายเท่านักครั้งแรกหัวหน้างานของเขาก็วางแผนให้ลูกน้องก่อนนั่นแหละตแต่ต่อไปนะ่ะมันจะกลายเป็นวัวพันหลักตึ้นไม่หลุดลูกก็ไม่รอพ่อก็ไม่เห็นจะรวยไหนถึงมีสเสน่ห์นั ก, น, กนักผู้กองขอ ง, ของเรานี่ผู้หญิงคนไหนก็คนนั้นเถอะมาเดินป่า ก, กับผู้กองเทไรเป็นอยากจะเอาทาหัวทุกทีไปแม้จะชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีนี่เตือนให้รู้ตัวไว้นะแมมคริสนะ ก็เห็นแล้วว่าสวยมากนิสัยส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนสกับริยมของผู้กองผิดไปกว่าผู้หญิงฝรั่งคนอื่นๆเผอแค่พลิปตาเดียวเท่านั้นผู้กองจะมานั่งเสียใจตัวเองว่าทรยศตอนายหญิงแม้ใครจะไม่รู้ก็ตามแต่งาสายลผีสางเทวดารู้เห <c oughs> ลวไหลพลิสเป็นผู้สอมของตาด็อกเตอร์สเซรีแต่อัพลางเสียอย่างสนิทแนบเนียนไม่ให้ใครรู้ ท่านไม่มีวันยุ่งด้วยหรอกแต่ท่านิสัยดีก็พอจะคบหาสนิทใจกันได้และผู้กองรู้ได้ยังไงว่าแม่ผมทอนั้นเป็นผู้สอนกับตาด็อกเตอร์นั่นเคยเห็นเหรอถึงไม่เห็นก็รูปการมันบอกนิววาแล้วสัญชาติฝรั่งมังค่าพวกเจริญขีดสุดในด้านวัตถุแบบนี้ลงมาด้วยกันได้มันก็ฝ่ายกันมัวได้เหมือนกันนั่นแหะ ว, ว่าเพียงแค่ฉลาดไม่พวกเราเห็นตําตาเท่านั้นเพื่อให้ดูศักดิ์สิทธิ์น่า น, นับถือหน่อยถ้างั้นผมก็ไม่มีความเห็นในข้อนี้ ฉันมีผัวมาแล้วกี่คนเอ๊ะไหนว่าไม่สนใจยังไงล่ะฉันอยากจะคุยอะไรได้ยเปืยให้มันระงับความทรมานที่คิดถึงยอดรักของฉันเท่านั้นเองถ้างั้นคราวหลังอยากจะระ ง, งับความทรมานที่คิดถึงยอดรักก็ยอมให้เขาเขมือเปลืยเปลืยไปเสียอยังงั้นสิโบราณเขาว่ายามยากไร้เอื้อมยังไม่ถึงดอกฟ้าก็ให้เด็ดดอกพยมดมไปก่อนพองพลางถือคติอย่างนั้นหรือ ย, ยังไงจะเอาดอกสีไหนก่อนล่ะ สบายทั้งสองดอกนั่นแหละแต่วิทยาสารพัดที่มีอยู่มันจะลด ถ, ถอยเสื่อมสลายลงไปแล้วนะแกยังไม่ได้บอกฉันเลยคริสตานผู้ชายมาแล้วสักกี่คนเจ้าหมอดูตาทิพย์ขอโทษทีครับคุณปอที่รักหมอดูคนนี้นะ่ะจะดูเห็นเฉพาะเรื่องสำคัญสำ ค, คัญสูงๆเท่านั้นนะ่ะจะไม่ดูอะไรที่ต่ำกว่าระดับตื้นลงไปไม่อย่างนั้นมันเป็นอาบัติวิทยาอาคมเสื่อมถอยลงเหมือนกันนะอีกคําเดียวเท่านั้นลนะก่อนที่แกจะไป B ห2ลํานั้นตกอยู่ที่ไหน เสียใจบอกไม่ได้บอกได้แต่เพียงว่าผู้กองลำบากทีเดียวแหละศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักหนักพอๆกับไปตามนายชดประชากร น, นั่นแหละแล้วไหนจะศึกนอกไหนจะศึกในสารพัดห้าห้าทำกรรมไม่มากเนี่ยก็ต้องชดใช้กรรมไปช่วยไปหานายหญิงหน่อยได้ไหมไปหาทำไมบอกเธอว่าฉันแสนที่จะคิดถึงและกำลังจะตายคนที่กาลังจะตายเพราะความคิดถึงเพราะความห่วงนกคือนายหญิงไม่ใช่ผู้กองหรอก แล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปเธอก็จะรู้ข่าวแล้วระหว่างนายหญิงกับผู้กองผมบอกตามตรงๆนะผมเลือกช่วยนายหญิงก่อนขอบใจมากแง่า ย, ายขอบใจจริงๆฉันก็ต้องการเช่นนั้นจะช่วยเธอด้วยวิธีทางไหนก็ตามเท่าที่แกสามารถจะช่วยเธอได้เพื่อให้เธอมีการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปส่วนฉันนะ่ะแม่จะตายฉันก็ไม่เสียาจชีวิตเธอจริงๆถ้ารู้ว่าเธอเป็นสุขสบายปลอดภัยดียแล้ว แงซสาไม่พูดอะไรอีกการไปในครั้งนี้ไปโดยวิธีการเดินถอยหลัง ช, ช้าช้า แ, แล้วและในที่สุดก็เกินหายก็ไปในเงามืดอันลี้ลับของเราใครอันน่ากลัวด้วยความสงัดเงียบของรานปีนั้นและเพ็นใครวันขาสำนึกและจำอะไรไม่ได้อีกแล้ว